อีกส่วนหนึ่งที่ท่านอธิบายประกอบกันมีรู้อาสะวะเป็นต้นนั้นอาสะวะก็หมายถึงกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตเป็นกิเลสชั้นละเอียดอันได้แก่กามาสะวะอาสะวะคือกามความใคร่พาวาสะวะอาสะวะคือพบความเป็นอวิชชาสะวะอาวาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริง ได้ทรงเห็นอาสวะโดยตรงก็คือทรงเห็นว่าตัวเรานี่แหละเป็นอาสวะเพราะว่าตัวเราตามที่เข้าใจกันนั้นโดยที่แท้นั้นก็ประกอบขึ้นด้วยกามคือความใคร่พบคือความเป็นและอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งสามนี้รวมกันเข้าเป็นตัวเราดังจะพึงเห็นได้ว่าตัวเราที่เข้าใจกันว่ามีอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ถ้าจะให้ชี้ว่า อยู่ที่ไหนก็จะชี้ไม่ถูกตามที่กล่าวมานั้นอย่างไนอนัตตลรักนัสูตรถ้าจะชี้ว่าอยู่ที่รูปพิจารณาที่รูปอยู่แล้วรูปก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนชี้ที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนกลาวนี้ในอัตภาพอันนี้จะมีอะไรที่พึงชี้ได้นอกไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณหรือว่ารูปธรรมนามธรรมที่รวมกันอยู่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อชี้ไม่พบตัวเรานี้จึงเป็นเพียงอุปาทานได้แก่ความยึดถือยึดถือขึ้นว่าเป็นเราความยึดถืออันนี้หากยึดถือแคบหรือกว้างใหญ่โตออกไปเท่าไหร่เราก็แคบกว้างใหญ่โตออกไปเท่านั้นดังจะพึ่งเห็นได้ว่าเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆยังไม่รู้เดียงสานั้นก็ยังไม่รู้จักว่า เราเป็นอะไรแต่เมื่อรั้นโตขึ้นผู้ใหญ่ตั้งชื่อให้ว่าชื่อนั้นชื่อนี้ต่อมาก็เราเรียนศึกษามีการงานก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวเราก็เป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่อะไรใหญ่โตมากมายออกไปนี่ก็เป็นความยึดถือทางนั้นสมมุติว่าถ้าจะมีเหตุอะไรให้ลืมเสียก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรเลยนี่เพราะจำได้ จึงได้มีความยึดถืออยู่เล็กก็ได้โตก็ได้ตามแต่ความเข้าใจและความยึดถือว่าอย่างไรแต่เมื่อพิจารณาค้นลงไปแล้วก็จะไม่พบอะไรนอกจากตัวอุปาทานคือความยึดถือเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเรานี้จึงเป็นเงาของอุปาทานอุปาทานโตเท่าไร่ตัวเราก็โตเท่านั้นอุปาทานเล็กลงเท่าไหร่ตัวเราก็เล็กลงเท่านั้นและความยึดถือนี่แหละเป็นอวิชชา คือตัวความไม่รู้อย่างเต็มตัวเพราะเมื่อความจริงไม่มีอะไรแล้วก็ไปยึดถือให้มากขึ้นให้มีขึ้นอย่างนี้ก็คือตัวความไม่รู้เหม <ety> ือนอย่างว่าหลงเงาว่าเป็นตัวจริงความหลงเงาว่าเป็นตัวจริงนี่แหละเป็นตัวอวิชชาคือตัวความไม่รู้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีตัวพบคือตัวความเป็นอันไี้แก่เป็นนั่นเป็นนี่เพราะตัวเรานั้นเป็นตัวขึ้นหรือเป็นเราขึ้น ก็ด้วยอำนาจของภพคือความเป็นคือว่าเป็นเราถ้าไม่มีตัวเป็นขึ้นแล้วเราก็ไม่เกิดแต่นี่มีตัวเป็นคือว่าเป็นเราขึ้นซึ่งเป็นภพหรือเป็นภาวะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นภพนอกจากนี้ยังมีตัวกามคือตัวความใคร่ได้แก่ความรักอยู่ในตัวเราซึ่งทุกๆคนล้วนแต่มีความรักตัวอยู่ด้วยกันเมื่อพิจารณาดูแล้วก็คือว่า รักสิ่งที่ยึดถือไว้นั่นแหละยึดถือว่าเราหรือของเราอยู่ที่ไหนสิ่งไหนก็ย่อมมีกามคือความรักใคร่อยู่ในสิ่งนั้นในที่นั้นด้วยอํานาจของความรักตัวอันนี้จึงได้มีความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวเสียหายต่างๆเพราะว่าความตายนั้นเข้าใจว่าเป็นความสิ้นสุดของตัวเราไปทีเดียวเพราะเราสําคัญตัวเราว่าที่นิวาสคือบ้านอันนี้ เมื่อบ้านอันนี้จะพังไปก็รู้สึกว่าตัวเรานี่หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้มีความกลัวตายนี่เป็นอย่างยิ่งสามมันชนทุกทุกคนเป็นอย่างนี้และทุกทุกคนก็ย่อมมีความรักตัวนี่แหละเป็นที่สุดจนถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีและในที่อื่นก็ยังตรัสไว้ว่าเมื่อพิจารณาดูโดยรอบแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่เพึงรักยิ่งไปกว่าตน คราวนี้พิจนารณาดูว่าที่รักภริยารักสมบัติรักสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเป็นต้นเหล่านี้โดยที่แท้แล้วก็เพื่อตนคือว่าเพื่อความพอใจเพื่อความสุขของตนเมื่อใดบุคคลหรือสิ่งเอานั้นมาขัดกับความสุขความพอใจของตนเมื่อนั้นความรักอันนี้จะสิ้นไปกลายเป็นความเครียดแค้นเหมือนอย่างที่มีเรื่องหึงหวงกันหรือฟ้องกัน คนที่รักกันอย่างที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาสิ้นรักเป็นแค้นขึ้นแล้วทำร้ายกันได้ฆ่ากันได้ทีเดียวนี่ก็จะทุนเห็นได้ทีเดียวว่าโดยที่แท้แล้วก็เพราะรักตนแต่ว่ารักสิ่งอื่นๆนั้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอำนวยความสจควกให้แก่ตนต่างหากมีความรักอีกอันเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ใช่เพื่อตนคือความเมตตาเหมือนอย่างที่พ่อแม่รักลูกนี่เป็นความ รักที่เป็นเมตตาต้องการให้เกิดความสุขแก่ลูกจนถึงยอมพลีความสุขของตนเองเพื่อลูกรักมากก็พลีได้มากรักที่สุดก็พลีได้ที่สุดตรอดจนถึงชีวิตเพื่อลูกรักอย่างนี้มุ่งความสุขไปให้ลูกคือมุ่งไปให้แก่ผู้ที่ตนรักไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเมื่อลูกมีความสุขพ่อแม่ก็สบายใจลูกมีความทุกข์พ่อแม่ก็ไม่สบายใจต้องช่วยขึ้นมาอีก นี่ก็เลยเป็นกรุณาไปแล้วคราวนี้เมื่อลูกได้ดีมีความสุขก็ดีใจนี่ก็เป็นมุทิตาไปแต่ว่าอุเบกานั้นมักจะยากพ่อแม่รักลูกบางทีก็ไม่มีอุเบกขาอุเบกานั้นคือความวางใจเป็นกลางหมายถึงความยุติธรรมด้วยคือไม่ลำเอียงรู้จักว่าดีชั่วว่าผิดว่าถูกอย่างไรวางใจให้เป็นดุลอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอุเบกานี้อยู่ ก็จะไม่รักลูกในทางที่ผิดถ้าลูกทำผิดรู้ว่าผิดก็ต้องว่ากล่าวตัดเตือนห้ามปรามหรือว่าเมื่อลูกไปทะเลาะ ก, กับใครมาก็ไม่เข้าข้างลูกมียุติธรรมรู้ถูกรู้ผิดอุเบกขามีความหมายดังกล่าวนี้ด้วยบางทีพ่อแม่รักลูกมากแต่ว่าไม่ได้มีอุเบกขาก็เลยเป็นเสียไปที่เติมเอาเรื่องความรักลูกเข้ามานี้ก็เพื่อชี้ว่ามีความรักอีกอันหนึ่ง ที่ต่างออกไปจากกามคือความเมตตาเป็นความรักที่มีให้อภัยไม่ตีโทษผูกโกรธคนที่ตนมีเมตตามากจะทําผิดก็ไม่ถือโทษแต่ว่าถ้าเป็นกามไม่ได้รักชนิดนั้นถ้าเกิดผิดใจขึ้นก็โกรธพยาบาทขึ้นมาทันทีถ้าเป็นเมตตาก็ไม่เกิดโกรธไม่เกิดพยาบาทให้อภัยได้วกเข้ามาถึงตัวเราตัวเรามีความรักตัว ที่เป็นตักลามดังกลา่าวมานี้อยู่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้จึงเป็นตัวอวิชชาเป็นตัวพบเป็นตัวกลามประกอบกันอยู่นี่เป็นตัวอาสวะท่านแสดงว่าตันหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนั่นแหละเป็นตัวก่อให้เกิดอาสวะขึ้นความดับตันหาเสียได้ก็เป็นการดับอาสวะและมักมีองแตกก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมรรคในองค์8ดมาเต็มบริบูรณ์สำหรับศีลนั้นได้ทรงมีมาตั้งแต่ทีแรกในส่วนสมาธิก็ได้ทรงเริ่มในเมื่อเข้าทางที่ถูกแล้วและก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสรู้มาโดยลำดับจนถึงมาทรงพบว่าตัวเรานี้เองเป็นตัวอาสวะตัณหาเป็นเหตุแห่งเกิดอาสวะความดับปัญหาได้เป็นความดับอาสวะ และทางที่ทรงปฏิบัติมานั้นจึงได้เกิดความรู้ขึ้นดังนี้เป็นเหตุให้ถึงความดับอาสวะจึงได้เป็นวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งขึ้นอวิชชาก็ดับไปภพก็ดับไปการมก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัตาภาวะคือความเป็นสัตว์ก็หมดสิน้นเป็นพุทธภาวะคือความเป็นพุทธคือผู้ตรัสรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงหยุดการเวียนเกิดต่อไปหยุดการประกอบกรรมต่อไป เพราะว่าได้ทรงสิ้นกิเลสอาสวะทรงอาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านเก่าเมื่อบ้านเก่าที่ทรงอาศัยอยู่นั้นแตกสลายคือว่าตายพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเข้าถึงพบชาติอะไรต่อไปและก็สิ้นสมมติบัญญัติที่จะเรียกอะไรจะเรียกว่าจิตจะเรียกว่าวิญญาณจะเรียกว่าอัตตาจะเรียกว่าสัตว์จะเรียกว่าบุคคลอะไรไม่เรียกทั้งนั้นแปลว่าหมดเรื่องกันทีถ้าจะยังพูดถึงอะไรก็ยังไม่หมดเรื่อง ได้มีผู้เห็นว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกก็ได้ทําการซักถามเช่นซักถามว่าสําคัญอะไรว่าเป็นพระอรหันต์สำคัญว่าเป็นจะขันคือบ้านที่เป็นเรือนกายเป็นพระอรหันต์หรือผู้นั้นก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ได้สําคัญอย่างนั้นคราวนี้ท่านก็สักว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อบ้านอันนี้ตายแล้วทำไมจึงไปเข้าใจว่าพระอาหารหันต์ศูนย์เพราะฉะนั้นก็เป็นอันแสดงว่ า, ไ ม, วามไม่ศูนย์แต่ว่าเมื่อไม่ศูนแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าไม่ควรจะกล่าวว่าไปอยู่ที่ไหนเหมือนกับไฟที่ซึ่งเชื้อแล้วก็ดับไปไม่มีเชื้อใหม่ให้ติดขึ้นมาอีกก็ไม่ควรจะกล่าวว่าไฟนั้นศูนหรือว่าไฟนั้นไปอยู่ที่ไหน นี่เป็นการยกขึ้นมาเทียบอย่างง่ายๆเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งสมมติบัญยัตหมดเรื่องที่จะพูดกันว่าอะไรกันแล้วตามที่กล่าวมานี้เป็นการอธิบายตามข้อความซึ่งท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงมีวิชาสามหรือมียานสามและเมื่อจะพยากรณ์ว่าได้ทรงรู้อย่างไรก็ให้พยากรณ์ว่าทรงมีวิชาสามนี่แหละจึงเป็นการพยากรณ์ที่ถูกต้องนิพพาน ในพระพุทธศาสนาเป็นปรมาติคือมีเนื้อความที่สุขุมละเอียดมากคนทั่วไปเข้าใจยากในฝ่ายมหา ย, ยานจึงได้สร้างนิพพานขึ้นใหม่คือว่าได้สร้างพระอาิพุทธเจ้าขึ้นองค์หนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นสุขาวดีเป็นตัวตนที่ไม่มีแก่ไม่มีตายเป็นอมตะอยู่บนน้นแล้วก็มีพระโพธิสัตว์อยู่มากมายการสร้างนิพพานให้เป็นตัวตน สร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นตัวตนอยู่ในสวรรค์ที่เป็นนิรันดร อ, อย่างนี้คนทั่วไปเข้าใจง่ายเมื่อแผ่เข้าไปในประเทศที่นับถือผีสางเทวดานับถือพระเจ้าก็เลยไปเข้ากันได้ดีอย่างที่ไปตั้งอยู่ในทิเบตในญี่ปุ่นในจีนและปรากฏว่าฝรั่งเองก็ศึกษาในฝ่ายมหา ย, ยานมากดูเขาจะเข้าใจได้ดีกว่าในฝ่ายเทรวาตยิ่งเรื่องอนัตตาแล้วก็ไม่ยอมจะเข้าใจ อธิบายไปเป็นอัตราเสียโดยมากได้แสดงธรรมซึ่งเป็นเรื่องหนักมาแล้วต่อไปนี้จะแสดงประวัติพระสาวกแท้เข้าบ้างคือประวัติของพระนันทเถระและของพระรูปนันทาเทรีทั้งสององค์นี้เป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดาประสูตแต่พระนามมหาปชาบดีโคตมีพระนันทเมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จ ก, กรุงก บ, บิลพัทครั้งแรกที่ท่านกล่าวว่าหน้าพรรษาที่สองได้โปรดให้พระนันทะซึ่งเป็นพระพุทธอัญชาอุปสมบทเป็นภิกษุการอุปสมบทของท่านนั้นได้มีในวันประกอบพิธีอาวาหะวิวาหามงคลของท่านเองกับนางชนบทกระยาณีซึ่งแปลว่าเจ้าหญิงผู้งดงามในชนบทพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปทรงรับบาตในพิธีนั้นและก็ได้ทรงส่งบาตรให้นันทราชกุมาร ถือตามเสด็จไปจนถึงอารามที่ประทับและได้ตรัสถามว่าจะบวชหรือนันทราชกุมารทูลตอบว่าจะบวช ด, ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ได้โปรดให้อุปสมบท ต, ต่อจากนั้นก็ได้โปรดให้พระราหุนซึ่งเป็นโอรสบรรพชาเป็นสาวเณรอีกด้วยแล้วก็ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทไปในคัมภีร์ชั้นบาลีว่าเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีแต่ในคำพี์ชั้นอัตถกถาแสดงว่าได้เสด็จไปกรุงราชคริสก่อน ต่อจากนั้นจินตสเดจไปยังกลุ่มสาวัตถีถ้าเสด็จกรุ่มราชคริสก่อนก็จะต้องทรงจำพรรษาอยู่ที่เวรุวันในกรุ่มราชคฤิสนั้นออกพรรษาแล้วจินตสเดจไปยังกลุ่มสาวัตถีแต่ว่าถ้าเสด็จไปยังกลุ่มสาวัตถีก่อนก็คงเพียงไปประทับไม่นานเท่าไหร่แล้วก็เสด็จไปทรงจำพรรษาอย่างพระเวรุวันในกรุ่มราชคฤิสเพราะในพรรษาที่สองนั้นท่านกล่าวว่าได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่พระเวรุวัน ในกรุงราชพฤกร์รวมความเข้าแล้วก็เสด็จกรุงสาวัตถีครั้งหนึ่งจากตอนเสด็จกลับจากกรุงกบิลพัททรงแวะเมื่อผ่านหรือว่าเมื่อออกพรรษาแล้วจึงเสด็จก็ตามทางนี้ก็เพราะได้ทรงรับประดิญญาของอนาถาปินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีว่าจะเสด็จไปประทับในพระเทตวันซึ่งอนาถาปินทิกาเศรษฐีสร้างถวายอนาถาปินทิกาเศรษฐีนั้นเป็นหมุดของเศรษฐีชื่อว่าสุมานณะ ในกรุงสาวัตถีเดิมชื่อว่าสุทัตต์แต่ว่าเป็นผู้ที่พอใจบริจาคแก่คนกำ k ้ า, าคนเข็นใจทั่ ว, วไปจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอนาถาปินทิกะที่แปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาและชื่อหลังนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันเป็นที่รู้จักทั่วไปในขณะที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่พระเวรวันในกรุงราชคฤืดอนาถาปินทิกาเศรษฐีได้มีกิจไปยังกรุงราชครืด ได้มีโอกาสไปฝ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าได้บรรลุมรรคผลคือเป็นโสดาบันบุคคลได้ทูลแสดงเจตนาจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าในกรุงสาวัตถีและทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับปฏิญญาว่าจะเสด็จไปพระพุทธเจ้าได้ทรงรับการรับของพระพุทธเจ้านั้นก็ด้วยวิธีนิ่งที่หมายความว่ารับอนาถาปิณทิกาเศรษฐี กลับไปยังกรุงสาวิถีแล้วก็ได้สร้างวัดถวายซึ่งเรียกว่าพระเชตวันเพราะได้ไปซื้อสวนของเจ้าเชษสร้างถวายท่านกล่าวว่าได้สร้างเสร็จภายในเวลาเก้าเดือนบ้างห้าเดือนบ้างเมื่อพร ะ, พะเจ้าได้เสด็จไปประทับยังพระเชตวันตามที่ทรงรับปฎิญญาแล้วพระนานทะก็ได้ตามเสด็จไปอยู่ด้วยมีเรื่องที่เล่า ว, ว่าท่านคิดแต่จะลาสิกขาเพราะว่าคิดถึงนางชนบทกาลยานีซึ่งได้ทำวิธี อาวาหะวิวาหะมงคลกันแล้วท่านก็มาบวชเสียด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วจิตใจก็กระวัดถึงนางชนบทกระยาณีอยู่เสมอและคิดว่าจะลาสิกขาข่าวทราบถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกไปไต่ถามท่านก็ทูลรับตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าได้ทรงนําท่านไปยังดาวดึงพิภพด้วยฤทธิ์ได้พบนางเทพเ อ, อักษรซึ่งในรูปงดงามเป็นอันมาก ตรัสถามว่านางอับศรสวรรค์เหล่านี้กับนางชนบทกระยาณีของท่านใครจะงามกว่ากันพระนันทะก็ทูลว่านางอับศรสวรรค์งามกว่ามากมายนักอย่างเทียบกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้พระนันทะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปทรงรับประกันว่าจะให้ได้นางอับสรสวรรค์เหล่านี้และก็ทรงนำพระนันทะกลับพระนันทะเมื่อเห็นนางอับศรสวรรค์ จิตก็ค่อยคลายไปจากความคิดถึงนางชนบทกาลยานีไปมุ่งอยู่ที่นางอับศรสวรรค์และก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปด้วยคิดเพื่อที่จะได้นางฟ้าพว้พิสูจเมื่อได้ทราบกันก็พากันกล่าวว่าท่านเป็นลูกจ้างของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงซื้อถ่ายเอาไว้เพื่อฆ่าจ้างคือนางอับศรสวรรค์ท่านพระนันทะเมื่อได้ยินเข้าบ่ยๆดังนั้นก็เกิดความละอายใจ จิตก็นายจากนางอับษรสวรรค์ตั้งใจประพฤติพรหมจรร์ต่อไปครั้นมีจิตหนายแล้วประพฤติพรหมจรร์ก็ได้ประสบวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะวันรุ่งขึ้นก็ได้ประกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้พ้นจากความรับประกันเพื่อที่จะให้ได้นางอับษรสวรรค์แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นดังที่แปลความว่าเปลือกตม คือกามอันบุคคลใดข้ามได้แล้วน้ําคือกามอันบุคคลใดย่ำหนีเสียได้แล้วบุคคลนั้นบรรลุ ค, ความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในพระสุขและทุกข์พระรูปนันทาเถรีส่วนพระรูปนันทาเถรีนั้นเป็นพระคณิธิผักกนีของพระนันทะเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุงกบิละพั์ครั้งที่สองกราบพระพุทธบิดานิพพาน ครั้นถวายพระเพลิงพระสพเรียบร้อยแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงกบิลพัทไปยังกรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ตามไปขอบวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก็ได้เสด็จไปกรุงสาวัตถีประทับที่พระเจตวันฝ่ายพระรูปนางธาเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนราชมารดาก็ออกทรงขันวดเป็นภิกษุณีพระเจฐาก็บวชเป็นภิกษุจึงเห็นว่าเมื่อบรรดาพระญาติใกล้ชิดได้ออกบวชกันหมดแล้ว เ็าได้ตกลงพระหฤทัยที่จะออกบวชเป็นภิกษุณีด้วยจึงได้ไปขอบวชเป็นภิกษุณีและได้อยู่ในกรุงสาวัตถีพระรูปน้ำธานี้ท่านแสดงว่าเป็นผู้มีรูปงามและติดอยู่ในรูปสมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วก็ไม่ยอมไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะเทศติรูปแต่เมื่อได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ไพเราะประกอบกับความปรารถนา ที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเชษฐาร่วมพระราชบิดาด้วยจึงได้แอบหมู่นางภิกษุณีเข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในตอนนี้ท่านเล่าว่าเมื่อพระรูปนัมทาเข้าไปในธรรมส ภ, ภาแล้วก็ได้เห็นสตรีผู้หนึ่งยืนถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่มีอายุขนาดสิปีมีรูปร่างงดงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระรูปนันทาฟ้ามองดูสตรีผู้นั้นมาเทียบดูกับตนก็รู้สึกว่าตนเองนั้น มีรูปสมบัติด้อยกว่าสตรีผู้นั้นเป็นอันมากต่อมาก็เห็นสตรีผู้นั้นเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นขนาด20สิบปีพระรูปนั้นถาเพ่งดูก็รู้สึกว่าความงามนั้นลดลงหน่อยหนึ่งรันเพ่งดูต่อไปก็ได้เห็นสตรีผู้นี้นั้นเปลี่ยนไปอีกเป็นรูปพันสตรีที่มีบุตรแล้วเป็นรูปพันสตรีกลางคนเป็นคนแก่แล้วแก่งอม แล้วยิ่งแกง่อมลงนอนจมสิ่งโสโปรกของตนแล้วก็สิ้นชีวิตเป็นศพเน่าพองในที่สุดจิตของพระรูปนันทาก็นายในรูปไปโดยลำดับจนถึงนายไปโดยสิ้นเชิงและได้ปรงเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมในขณะนั้นซึ่งเหมือนอย่างตีเหล็กในขณะร้อนว่าเธอจงพินิจกายที่อาดูนไม่สะอาดเปื่อยเน่าไหลเข้าไหลออก ซึ่งคนเขลาปรารถนายิ่งนะักเธอจงเห็นธาทั้งหลายโดยเป็นของว่างเปล่าอย่ามาสู่โลกอีกเธอสำรอความพอใจในพบชาติเสียจากสงบระงับอยู่ตลอดไปต่อจากนี้ได้ตรัสเทศนาธรรมให้เห็นกระชับเข้าอีกว่าสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูกฉาบพาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความตายความทนง และความลบหลู่จิตของพระรูปนันทาได้รับอารมณ์เต็มที่แล้วก็ได้วิมุตเตหลุดพ้นจากกิเลสอสุวาทั้งหมดเรื่องพระนันทะและพระรูปนันทานี้แสดงให้เห็นวิธีอบรมของพระพุทธเจ้าว่าได้ทรงใช้วิธีที่เหมาะแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลแต่ละบุคคลดังในเรื่องพระเถระและพระเถรีทั้งสององค์นี้ได้ทรงใช้วิธีหนามยอกเอาน้ําบ่งคือใช้หนามนั่นเองบ่งน้ําเมื่อติดรูป ก็แต่งรูปขึ้นอีกรูปหนึ่งที่ดีกว่ามาชักจิตให้ถอนจากรูปที่ติดอยู่เก่ามาพวงอยู่ในรูปใหม่รูปที่ติดอยู่เก่านั้นอาจจะเป็นหนามที่ฝังยอดอยู่ในจิตใจลึกแน่นเมื่อชักให้ถอนออกได้ก็เป็นชั้นที่หนึ่งครั้นแล้วก็ไม่ยอมให้รูปใหม่เข้าไปฝังลึกอยู่แน่นเหมือนอย่างนั้นรีบใช้วิธีถอนออกทันทีเหมือนอย่างใช้หนาแทงลงไปเพื่อบง่งหนามครั้นบ่งสําเร็จแล้วก็ทิ้งหนามสาหรับบ่งเสียด้วย วิธีที่ทรงใช้อาจจะเป็นฤทธิ์ดังที่ท่านเล่าไว้ก็ได้หรืออาจเป็นคำพูดชี้แจงให้เห็นจริงเหมือนอย่างเห็นด้วยตาก็ได้เพราะท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปฏิหาร3คือ 1. อิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2. ออาเทสนาปฏิหารดักใจเป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปฏิหารสอนเป็นอัศจรรย์ข้อหนึ่งข้อสอืกเพื่อให้การสอนสาเร็จ ข้อ3จึงสำคัญที่สุดแต่ก็ได้อาศัยสองข้อข้างต้นช่วยตามควรแก่บุคคลผู้รับเทศนาเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นได้สำเร็จได้มีบางคนกล่าวว่าจะเป็นการสมควรหรือไม่ในการที่ทรงพระพระนันทาไปจากนางชนบทกรยานีในวันมงคล น, นั้นข้อนี้ตอบได้ทีเดียวว่าทรงเห็นอปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของท่านแล้วและทรงสามารถอบรมให้ท่าน บรรูถึงผลที่สุดนั้นได้และเมื่อจะออกบวชอย่างสลาดจริงก็ควรบวชในระยะที่ไม่เกิดภาระผูกพันจึงไม่มีเวลาเหลือจะให้รอได้ต่อไปพระพุทธเจ้ามีพระหฤทัยเด็ดเดียวจึงได้ทรงพรากโลกไปได้จนถึงตรัสรู้พระธรรมและทรงบำเพ็ญสิ่งที่ควรทำคือพุทธกิจได้ทุกประการจึงทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นได้ไม่เป็นฐานะที่จะทรงเกรงอะไร แล้วงดทำสิ่งที่ควรทำเสียสิ่งที่ควรคารพมีอย่างเดียวคือทำจึงทรงมุ่งทำเป็นใหญ่กว่าสิ่งอื่นทั้งหมดโปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกนมหาสังฆปริณายกเต้ใหม่ในตอนต่อไป